ก็เลยคิดว่าสุทาวาสนี่เราไม่เคยอยู่เลยตลอดระยะเวลาอันยาวนานนอกจากเทวดาเราสุทาวาสแล้วไม่ใช่โอกาสที่ใครๆจะไปได้โดยง่ายก็แปลว่าพระนาคามีเท่านั้นแหละที่จะได้อยู่ในสุทาวาสท่ากระไรเราพึงเข้าไปหาเทวดาเราสุทาวาสจนถึงที่อยู่ พิสู่ทั้งหลายทันใดนั้นเราก็ได้หายไปในหายตัวจากที่ควงไม้พญาสาพรพฤกในป่าสุภวันใกล้เมืองอกกฐานครแล้วก็ไปปรากฏในเทวดาชั้นอวิหาเปรียบเหมือนบุรุษที่มีกำลังเหยเียดแขนหรือว่าคู่แขนฉะนั้นอันนี้เหตุการณ์เมื่ออวิหาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อวิหาพรม โดยความพิสูจน์ทั้งหลายในหมู่เทพพยดานั้นแลเทพพยดานับร้อยนับพันเป็นอันมากแล้วว่าโอ้เทวดาเยอะแยะเลยเทวดาในที่นี้หมายถึงเทวดาชั้นอวิหาพรหมเนี่ยนะก็คือพรหมคําว่าเทวดานี่รวมถึงพรหมด้วยนะพรหมเหล่านั้นเนี่ยหลายร้อยหลายพันก็เข้ามาหาเรามาถึงแล้วก็ไหว้เราได้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้นเทพพยดาคือพรหมเหล่านั้นเนี่ยนะพรหมชั้นอวิหาเหล่านั้นยืนเรียบร้อยแล้วก็กล่าวกับเราว่า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 พระชาติอุบัติในขัตยศกุลเป็นโกลธัญญะโดยพระโคดมีพระชนมายุประมาณแปดหมื่นปีพระองค์ได้ตรัสรู้ที่ควงไม้แครไฟล์พระองค์มีคู่พระสาวกชื่อว่าพระคันดะและพระติดสะเทระซึ่งเป็นคู่อันเจริญข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกการประชุมการแห่งพระสาวกของ หรือที่เรียกว่าสาวกสันิบาตของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้มีแล้วสามครั้งครั้งที่หนึ่งมีภิกษุประชมกันเป็นจำนวนห8ล้านแปดแสนครั้งที่สองจำนวนหนึ่งแสนครั้งที่สามจำนวน8 0ด0มื่นนะสาวกทั้งหมดของพระวิปสัสพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีที่ได้มาประชมกันทั้งสามครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นพาดหันตะขีนาศทั้งสิ้นข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกภิกษุผู้อุปถาชอวาอาโศกะได้เป็นอัคคระอุปถาของพระผู้มีพระภาคอาหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระราชาพระเจ้าพันธุมะเป็นพุทธบิดาพระนางพันธุมดีเป็นพระชนนีบังเกิดกล้าวของพระองค์พระนครที่เกิดชิวาพันธุมดีเป็นราชธานีของพระเจ้าพันธุมะ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 ทั้งหลายร้อยหลายพันเนี่ยนะประพฤติพรหมจันทร์ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีคลายกามฉันทะเป็นอนาคามีก็ได้บังเกิดณที่นี้เพราแสดงว่าพรหมชั้นอนาคาพรมพรหมที่เป็นสาวกของพระวิปัสสีพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่เนี่ยนะพอใครทําบุญให้เป็นอนาคามีแล้วก็ไปเยี่ยมท่านก็ได้เนี่ยนะทางมีอยู่ แต่ผู้ปฏิบัติไม่ค่อยจะมีเหมือนกันนะทีนี้เอาสาวกของอะนะอีกครั้งหนึ่งสาวกอีกชุดหนึ่งนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายในหมู่เท พ, พยายดานั่นเองเท พ, พยายดานนับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราครั้นเข้ามาหาแล้วก็ไหว้เรายืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นเทพพยายดา น, านั้นยืนเรียบร้อยแล้วก็ได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข นับถอยหลังแต่พัทธกัปนี้ไปส1บอดกัปได้มีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีเสด็จอุบัติในโลกพระองค์เป็นกษัตริย์โดยชาติเนี่ยนะก็รายละเอียดก็คล้ายๆกับที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะก็ซึ่งเราได้ฟังมาแล้วทั้งนั้นเสร็จแล้วบอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นสาวกของพระสิขีพุทธเจ้าได้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นพระนาคามีแล้วก็มาบังเกิดในอวิหาพรหม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 แล้วก็บอกว่าพวกข่าพระองค์นั้นได้ประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าเวสภูเป็นอนาคามีแล้วก็บังเกิดณที่นี้เนี่ยนะคือเจริญข้อปฏิบัติจนบรรลุอนาคามีมากก็มาเกิดในพรหมโลกอันนี้สาวกของพระพุทธเจ้าเวสภูนกลุ่มสาวกของพระพุทธเจ้ากระกาสันทะบอกว่า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 รายละเอียดก็คล้ายกับที่กล่าวมาแล้วในพุทธวงศ์ข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกเนี่ยน ะ, ะพวกข้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรันร์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะเป็นอนาคามีคลายการมาฉันท่าทั้งหลายแล้วก็มาบังเกิดในพรหมชั้นอวิหานณที่นี้ น, นะผ่านไปแล้วสี่ชุดใช่มเทวพรหมสี่ชุดชุดที่ห้า หมเทเพ ย, ยดานนับร้อยนับพันอีกกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาหาเรายืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลว่าในพัตธกับนี้เองพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโกนาคมณะได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกนะรายละเอียดก็พระองค์ก็เป็นพรามโดยชาติเป็นต้นสำหรับพวกข้าพระองค์นั้น น, น, นะนะได้ประพฤติพรหมจันทร์ในพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโกนาคมณะ คลายกามาฉันทะแล้วก็มาบังเกิดณอวิหาพรมเหล่านี้แห่งนี้เนี่ยนะเทวดาชุดที่หนับร้อยนับพันเป็นอันมากก็เข้ามาหาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ไหวย้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งเทวดาคือพรมเหล่านั้นก็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 พระองค์ก็พระองค์ของเราอะนะพระโคดมเนี่ยพระองค์เนี่ยพระชาติเป็นกษัตริย์อุบัติในขัตยศกุลเป็นโคตมะโดยพระโคดประมาณพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้น้อยนิดเดียวเร็วพลันแมในสายตาของพรหมเนี่ยน้อยมากเลยนะเอาคิดดูนะเล้านปีของจาตุมพวกเราหกเจ็ดแปปีเนี่ยมันจะเป็นนานอะไรใช่ไหมถ้าเทียบกับจาตุมของเราเนี่ยกี่นาทีของจาตุมเองเนี่ยนะ สมมติว่าจาตุ่มเขเก้าล้านปีเนี่ยของเราเจ็ดแปดเก้าสิปีเนี่ยนะไม่รู้ใครอยู่ถึงนะเขาม า, า จ, จะไม่ถึงก็ได้ไงทีนี้อา้าถ้าเทียบกับดาวพฤดึง36ล้านปีแล้วของเราไม่ถึงร้อปีเนี่ยมันจะเป็นนานอะไรถ้าเทียบกับดุสิตห้ายเจ็บหล้านปีแล้วของเราไม่ถึงร้อยปีมันจะเป็นนานอะไรถ้าเทียบกับพรหมเขาอายุเศษหนึ่งส่วนสี่ของกลับเนี่ยนะแล้วเราจะไปเยอะอะไรเศษ2อส่วนสี่ของกลับหรือเครื่องกลับนะเทามาหาพรหมอายุตั้งกลับหนึ่งของเราเนี่ย ท่านบอกว่าท่านยังไม่ทันหายใจเลยพวกนั้นตายกันแล้วไงเลยหรืออีกในหนึ่งถ้าบอกว่าพรหมชั้นสูงสูงอายุ2กับ4กับ8กับ16กับอายุกัน500มหากับอายุกันห0 0 0ื่นกับอย่างเงี้ยนะอายุกันเป็นหมื่นกับแล้วของพวกเราเนี่ยอายุไม่ถึงร้อปีเนี่ยมันน้อยท่านบอกว่าเร็วพลันเหมือนกันนะพรหมบอกว่าเร็วนี่แสดงว่าเร็วจริงจรอ่ะในความคิดของท่านมันเร็ววับแป๊บเลยงั้น เพราะผู้ที่มีชีวิตอยู่นานก็เป็นอยู่ได้เพียงร้อยปีบางทีก็น้อยกว่าบ้างร้อยน้อยกว่าร้อยมากนะแต่ก็มีบ้างเกินกว่าร้อยเช่นอะไรนะบางท่านก็ร้อยกว่าปีใช่มแต่ร้อยกว่าปีนี่ดื่มน้ำก็ไม่ค่อยเต็มคอแล้วละว่างั้นนะดื่มน้ำก็ยังฝืดนะไม่ต้องพูดถึงกลืนอาหารแล้วมันแล้วก็ตัด กล่าวถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าของเรา ว, ว่าพระ อ, องค์ตรัสรู้ที่ไม้โรพระษารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นอัขระสาวกมีสาวกสนิบาตหนึ่งครั้ง1250รูปอุปถากชื่อว่าพระอานนท์พระเจ้าสุดโทธนะเป็นพุทธบิดาพระนางมายาเป็นเทพระชนนีพุทธมารดาพระองค์เกิดที่นครกบิลพัฒน รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนที่พระองค์ออกบวชบรรพชาตั้งความเพียรการตรัสรู้การประกาศพระธรรมจากรายละเอียดของพระพุทธเจ้าของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้พวกข่าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าคลายการมชันทะแล้วก็มาบังเกิดณที่นี้ตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่เนี่ยนะสาวกของพระองค์ที่ไปเกิดในชั้นอวิหารเนี่ยเยอะอย่างชัมพุกะเนี่ยนะชัมพุกะชีวกเนี่ยพระพิสุรุภีก็เป็นไปเป็นพระรหารที่ชั้นอวิหาร ดูความพิสู่ทั้งหลายเราพร้อมทั้งเทพพญดารวมเรียกว่ารวมหมู่คณะพรมทั้งหมดยกขบวนไปที่ไหนไปหาเหล่าเทพพญยายเจ้าชั้นอตานะตาปากัะเสร็จแล้วพวกเทวดาชั้นอตัตตาปาก็มารายงานเรื่องทั้งหมดให้พระองค์ฟังอีกแล้วก็แห่ขบวนทั้งอวิหาตปาไปหาสุทธาสาแล้วเทพ ย, ายดาทุกชุดเนี่ยกมารายงานมากราบทูลพระองค์อีกแล้วก็ยกขบวนอวิหาตปาสุทธาสาขึ้นไปหาสุทธศีกลุ่มเทวดาทั้ง7กลุ่มเนี่ยนะ เจ็กลุ่มใหญ่ก็มารายงานพระองค์ก็ชวนการอาวิหารตปาสุทธิสาสุทธสีธสรวมกันไปรวมที่พรหมอากานิ tha เรียกว่าระดมเท้ามหาพรหมไปยุยะเลยเหกันทีนี้เทพพ ย, ยดาองคเหล่านั้นเนี่ยนะในกลุ่มเทวดาชั้นอากานิ t าหลายร้อยหลายพันก็มามารายงานว่าเขาเนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ี่ปัสีชุดที่หนึ่งชุดที่2บอกเขาเนี่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสิขีชุดที่3ก็มารายงานว่าเขาเนี่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอะไรเวสภูเนี่ยนะอีกชุดหนึ่งก็มาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ากากูสันทะอีกชุดหนึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าโกนาคมนะอีกชุดหนึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ากัสปะอีกชุดหนึ่งเป็นสาวกของ พระพุทธเจ้าของเราแล้วก็เล่าประวัติเกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าของเราภิกษุทั้งหลายเหตุที่ธรรมธาตุคือสัพพัญญุตยานตถาคตแทงตลอดดีแล้วด้วยดีด้วยประการอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ล่วงไปแล้วปริเพภานไปแล้วพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตัดธรรมะที่ทําให้ขยายวัตตะคือตันหามานะทิฐิได้แล้ว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 ต่ทางเาวิมุตต์วิคัมพนาวิมุตต์สมุตเชทวิมุตต์ปฏิปัสสัตทิวิมุตต์ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นต้นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้อนุภาพของสัพพัญญุตญาณที่พระองค์แจ่มแจ้งในอดีตทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลืออันนี้ชุดที่หนึ่ง น, นะที่พวกเธอคิดว่าสงสัยกันว่าพระองค์รู้เองใช่ไหมบอกใช่อันนี้ด้วยด้วยอนุภาพของสัพพัญญุตญาณแม้พวกเทพพยายดาก็ได้บอกเรา คือพรมทั้งหลายก็บอกเราอย่างที่ว่าพระองค์หายตัวจากป่าสุภวันไปปรากฏที่อวิหาเทวดาชั้นอวิหาก็มารายงานก็พาเทวดาชั้นอวิหาไปอัตตาปาเนะทวดาชั้นอัตตปาก็มารายงานพาเทวดาอวิหาอัตตปาขึ้นไปสุทัสสาเทวดาชั้นสุทัสสาก็มารายงาน ชวนอวิหาตปาสุทธาขึ้นไปสุทธสีเทวดาชั้นสุทธสีก็รายงานชวนทั้งสี่ชั้น 8, แตอกันิถาพรหมทั้งมวลเหล่านั้นก็มารายงานเพราะฉะนั้นเขาบอกเนื้อความนี้อันนี้แหละเป็นเหตุให้ตถาคตระลึกได้ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วปรินิพานแล้วตัด ตันหามานะที่ถีที่ทําให้เนื่นช้าอยู่ในวัฏฏะตัดกรรมกิเลสที่เป็นเหตุแห่งความเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วครอบงํากรรมกิเลสที่เป็นเหตุเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดล่วงทุกทุกอย่างได้แล้วว่าพระองค์เหล่านั้นมีพระชาติมีชื่อมีโคดมีพระชนมายุมีคู่สาวกประชุมสาวกอย่างนี้อย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าตัดจบแล้วก็ภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดี ภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลจบพอดีเ๊ะเลยมันก็บอกว่าสูตรนี้ชื่อสูตรใหญ่มากเลยนะพระสูตรนี้ทั้งหมดท่านบอกว่า2 6 0พภาณวาระสูตรอื่นในพูษฐวัจนคือพระไตรปิฎกไม่มีสูตรไหนที่มีจำนวนถึงสอง6 0 0หภาณวาระสูตรนี้ชื่อว่าสูตรตันตราชสูตรหมายราชาของพระสูตรทุกสูตรว่างั้นเถอะ ในหน้า164หนะหน้าจบเลยเขาว่างั้นเร้วกว่าโหสุดตันต ร, ราชสูตรอเรื่องมันยาวเยอะใหญ่จริงๆสูนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะกล่าวถึงเรื่องราวของพรหมแต่นี่ก็ของเราก็ไม่รู้ว่าฉลาดมากหรือฉลาดน้อยกล่าวแต่สรุปพอใจความก็พอนะอี่ยนะเขาบอกจริงๆอ่ะการฟังแบบสังเกตสังเกตยอ่ยอๆเป็นเรื่องของคนมีปัญญาใช่ไหมของเราก็ว่าที่ผู้มีปัญญาในอนาคตก่อนกันล้กัน ก็ขอให้เป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงในพระตรรมตรายตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าโดยท้่วนกันวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ปีนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ในในาใเจิญพรา